นักปฏิบัติทาหลายคนปฏิบัติไปก็อาจจะสงสัยว่าอสติของเราก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนความหลงของเราลดน้อยไปมากมายเพียงใดบางคนก็เฝ้า ถามหรือเฝ้าหาคำตอบให้ได้อันนี้ก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะสมัยพุทธกาลก็ก็มีคนสงสัยหรือว่าถามทำนองนี่แหละว่าวันนี้กิเลสเราลดไปได้เท่าไหร่แล้วนะลปฏิบัติมานี่ลดไปมากน้อยเพียงใด ก็คงมีคนถามพระพุทธองค์แบบนี้ด้วยพระองค์ก็เปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับเครื่องมือของช่างไม้เช่นค้อนหรือว่าเลื่อยช่างไม้ก็ใช้ทุกวันก็รู้อยู่ว่าใช้ทุกวันมันก็สึกทุกวันแต่ก็บอกได้ยากว่า มันสึกไปมากน้อยแค่ไหนคงไม่มีช่างไม้คนไหนมาคอยถามว่าวันนี้สึกเท่าไหร่แล้วนะก็เห็นแต่เพียงอลอยมือรอยนิ้วมือก็รู้ว่ามันก็ต้องสึกไปและการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเราจะถามว่าวันนี้กิเลสหรือเมื่อวานนี้กิเลสเราลดไปมากน้อยแค่ไหนถ้าทำแล้วมันก็ลดแน่นอนนะแต่ว่าลดเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะรู้ทีก็ตอนที่สิ้นกิเลสแล้วนะจะถามว่าเมื่อไหร่ถึงสิ้นกิเลสนะก็เมื่อสิ้นแล้วก็ถึงจะรู้แหลนะ อย่างที่หลวงพ่อค เ, เขียนท่านพูดว่าถึงต่อเมื่อมันถึงะจะไปสนใจว่าเมื่อไหร่จะถึงจะถึงการปฏิบัติธรรมกับการเดินทางไกลถ้าเอาแต่ถามตัวเองว่าไปได้ไกลเท่าไหร่แล้วการเดินนันก็จะกลายเป็นการเดินที่น่าเบื่อ จะเหนื่อยง่ายนะเพราะว่าเฝ้าแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงอันนี้มันสวนทางกับการเจริญสตินะเพราะการเจริญสติคือการอยู่กับปัจจุบันเราก็อยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวหรือว่าการเคลื่อนไหวมือแต่ละขณะแต่ละขณะอย่าไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้น ว่าเมื่อไหร่จะเกิดนะเมื่อไดที่นึกถึงหรือกังวลถึงผลที่อยากจะให้เกิดอันนั้นก็ให้รู้ว่าเราออกจากปัจจุบันไปแล้วนะถึงต่อเมื่อมันถึงนะถ้ามันยังไม่ถึงก็ก็รู้ว่าไม่ถึงแต่ให้เราทําต่อไปอย่าไปรอหวังความสุขเมื่อผลเกิดขึ้นแล้ว แล้วคนจนั้นไม่น้อยก็ร อ, อว่าเนี่ยถ้าฉันบรรลุธรรมเมื่อไหร่หรือว่าฉันมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นน้ำเมื่อไหร่ฉันก็จะมีความสุขไปรอความสุขข้างหน้าจริงๆความสุขมันเกิดขึ้นกับเราในแต่ละขณะแต่ละขณะอยู่แล้ว ให้ปฏิบัติแล้วก็มีความสุขในทุกขณะอย่าไปรอความสุขข้างหน้าเหมือนกับเวลาเดินเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องรอว่าถึงแล้วถึงจะค่อยมีความสุขแล้วก็มีความสุขในแต่ละก้าวที่เดินความสุขมันเกิดขึ้นเมื่อใจเรามีสติ เมื่อสติอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขนาดมันก็สุกอยู่ในตัวอย่างน้อยก็ไม่มีความกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงนะจิตที่เอาแต่ผวงมันก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความกังวลแล้วก็ในที่สุดก็ทุกขนะ์เราอย่าอย่าบั่นทอนตัวเองนะด้วยการที่คอยนึกถึงแต่ผล ไม้มีความสุขหรือมีชันทะในสิ่งที่ทำการปฏิบัติแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสติจะเลยงอกงามแค่ไหนแต่มั่นใจให้มั่นใจว่าถ้าเราทำถูกวิธีมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สติที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงท ร, ร ม, มากอย่างอื่นด้วยเช่นความเพียร การปฏิบัติเนี่ยแม้จะยังไม่เกิดยังไม่เห็นผลที่เป็นาการประจักษ์แจ้งใดๆเลยแต่ว่าสิ่งที่จะได้อย่าง น, น้อยก็คือมันได้สร้างนิสัยแห่งความเพียรขึ้นนะสร้างนิสัยแห่งความเพียรและถ้าเรามีนิสัยนี้เนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน พอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรก็ตามที่พอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปเหมือนกับเวลาเราตื่นนอนตื่นเช้าเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่นิสัยของเราตื่นตีสามก็จะรู้สึกว่าตื่นยากแต่พอตื่นจนเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นเรื่องง่ายและถ้าวันไหนไม่ได้ตื่นอย่างนั้นก็จะรู้สึกมันขาดอะไรไปบางอย่าง เหมือนกับเราเด็กเด็กนะตอนเด็กๆด ก, ก็ไม่อยากถูฟันนะไม่อยากล้างหน้าแปรงฟันแม่พ่อก็ต้องอชักชวนหรือบางทีก็บังคับให้เราต้องถูฟันอาบน้าล้างหน้าอยู่เป็นประจำเราก็ไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่นิสัยของเราตอนเล็ ก, ลกแต่พอเราทำไปทำไปจนกลายเป็นนิสัยมันก็ทำไปเองนะ วันไหนที่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ถูฟันก็จะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างบางทีก็นอนไม่หลับได้ซ้าคือพรนิสัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันง่ายแล้ว้นเราอย่าเพิ่งไปรู้สึกท้อว่าทำไมปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลใ ห, ให้ลองดูว่าท่านิสัยแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเช่นเวลาทำอะไรแล้วก็อยากจะเจริญสติยกมือสร้างจังหวะหรือครึงนิ้ว พอกินข้าวเสร็จชันเสร็จเราก็อยากจะมาที่าลานจงกลมแล้ววันแรกสองวันแรกมันไม่อยากมาแต่พอทําไปหลายวันติดต่อกันก็เกิดความรู้สึกอยากจะมาขึ้นมาเองเกิดความพอใจขึ้นมาสัมมาวายามาที่เราสวนเมื่อกี้นี้เนี่ย <Yeah. S 2> เขาจะมีคําว่าทําความพอใจให้เกิดขึ้นทําความพอใจใเกิดขึ้นนี่คือชันท่า น, นั่นเอง ฉันทะพูดง่ายคือความอยากทําไม่เหมือนตัณหานะตัณหาคือความอยากได้ฉันทะคือความอยากทําเหมือนกับเราอยากแปลงฟันนะกินกินข้าเสร็จาอยากแปลงฟันหรือตื่นเช้าขึ้นมาเราอยากแปลงฟันมันเป็นฉันทะความอยากนะอย่างน้อยเราปฏิบัติแล้วเนี่ยได้ปลูกฉันท้ายเกิดขึ้นฉันทั้งในการปฏิบัติถ้าเราสามารถปลูกฉันทาย เกิดขึ้นได้การปฏิบัติจะเป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อมีฉันทานแล้วก็จะมีความเพียรวิริยะที่เขาเรียกปะลความเพียรนะปะลกความเพียร ค, ยคือการมีความขยันความเพียรมีวิริยะแล้วก็จะมีจิตตะคือความใส่ใจ ท, ที่ในบทสวดนี่เขาใช้ว่าประคองตั้งจิตไว้ฟังดูมันก็เป็นภาษาที่ฟังยากนะแต่ว่า มันก็คืออันเดียวกันคือการจดจอ่อใส่ใจการจะทำงานให้สาเร็จได้เนี่ยต้องมีสมอย่างนี้เป็นอย่างน้อยนะคือมีฉันทะวิริยะจิตตะนะอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะยงั้นการมาปฏิบัติที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอย่างน้อยแม้ว่าสัมมาสติยังไม่เกิดอย่างชัดเจนแต่ว่าให้มันจะว่าสัมมาวายามะได้เกิดขึ้นแล้วทีละน้อยทีละน้อย มีความพอใจมีความมีฉันท่าที่จะจะทำมีความเพียรแล้วก็มีความจดจ่อพวกนี้สามารถสร้างให้เป็นนิสัยได้นะและส้สัมมาสติก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำถูกวิธีนะก็คือว่าดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องเพ่งที่ผ่านมาเราเผลอก่อนมาปฏิบัตินี่เราเผลอเราฟุ้ง แต่พ อ, พอมาปฏิบัติเราก็สวิงไปอีกทางหนึ่งก็คือเพ่งมาพอความอยากได้อยากได้สติอยากได้ปัญญาอยากได้ความหลุดพ้นไอ้พวกนี้คือตัณหานะตัณหาคือความอยากได้อย่างที่บอกไปแล้วเราปฏิบัติเนี่ยพยายามลดทอนไอตัณหานี้ให้น้อยลงแล้วก็สร้างฉันท้าให้มากขึ้น ห ม, มายมันก็ต้องมีความอยากเป็นตัวเป็นแรงผลักเพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติทำไมแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัณหาก็ได้ไม่จาเป็นต้องทำด้วยความอยากได้อยากมีก็ได้เราสามารถจะขยันได้ด้วยความอยากทำฉนะันทะพยายามเอาฉันทะมาแทนที่ตัณหา ก, นะการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องเบาสบายพอเรามีฉันทะแล้วเนี่ย มันจะไม่ค่อยเคยรียดเท่าไหร่อยากจะทำขึ้นมาเองนะไม่ต้องเคี่ยวเข็นตนเองหรือว่าเอาตันหาเป็นเครื่องรอนะแล้วถ้าเรามีฉันทาแล้วเนี่ยการปฏิบัติมันก็จะเกลืนไปกับชีวิตประจาวันแม้ว่าไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมแต่เวลาทำอย่างอื่นเราก็มีสติรู้ตัวไปด้วยเพราะว่ากิจวัตรประจาวันมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะ แม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำเราก็คลึงนิ้วไปหรือว่าตามลมหายใจไปก็ได้ไที่จริงอเรียบทเล็กๆ ก, ก, ก็ทำได้เช่นลมหายใจหรือว่ากระพริบตาคูเหยียดเคลื่อนไหว น, ะนั่งยืเนเดินนั่งนอนนี่เป็นอเรียบทหลักมันมีอเรียบทเล็กอเรียบทรองอีกเยอะเราก็ใช้ เรีย บ, บทหรือกิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติพอมีฉันท์ท้าแล้วเนี่ยเวลาล้างจานก็อยากจ ะ, จะเจริญสถติการล้างจานระหว่างล้างจานมีคนมาชวนคุยเราก็ไม่หงุดหงิดเราก็พูดคุยกับเขาตามสมควรเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะมีคนมาหาเราก็ไม่หงุดหงิดนะเพราะว่าเราไม่คิดจะทําด้วยความหน้าดําคําเครียน ถ้าทำด้วยความรู้สึกรู้สึกอยากจะเอาอยากจะเอ า, อย า, เ อ, าอยากจะเอาเนี่ยเวลาใครมาใครมาพูดมาคุยมาหาเราก็จะราคาญนะเราก็จะหงุดหงิดเพราะว่ามันมาขัดอ่าขัดการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราทำด้วยฉันทะ เ, ออเราทำสบายๆแต่ทำไม่หยุดทำเรื่อยๆใครมาพูดมาคุยเราก็คุยกับเขาได้ดีนะ ดูใจไม่ให้ฟุ้งไปกับการพูดแล้วก็ไม่ให้วกแวกในระหว่างที่ฟังหรือว่าอินไปกับเรื่องราวที่เขาเลา่าการพูดคุยนี่มันก็เป็นการเจริญสติได้ในหลายด้านทั้งในระหว่างที่เราเป็นผู้พูดแล้วก็ระหว่างที่เราเป็นผู้ฟังเราพูดแล้วก็พูดตามตามเหตุตามผลตามเนื้อเรื่องด้วยความพอดี ไม่ได้พูดจนน้ำลายแตกฟองหรือว่ารู้สึกมันนะระวังที่เราฟังเราก็ไม่อินไปกับเรื่องราวที่เขาเล่ า, เ, าเขาดาขา่าใครเราก็ไม่ไปโกรธกับเขาด้วยเราก็ฟังไปไเขามาระบายใส่ให้เราฟังเราก็ฟังเออไม่ได้ไ ม, ไม่ได้มีอความรู้สึกปล่อยอารมณ์ไปกับเขาด้วย อ่ะถึงเวลาจะเลิกเราก็อ่ะก็เลิกนะปฏิบัติใหม่ๆเนี่ก็ลองสังเกตดูเวลาพูดคุยกันเสร็จเนี่ยไอ้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมาตามมันก็จะมาดังกล้องเหมือนกับย้อนเทประหว่างที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะมันก็มันก็จะย้อนกลับมาเรื่องที่คุยอ่ะเราก็รู้ทันมันไม่หยิดไม่ลําคาญมันมาก็มานะมันมืนก็เสียงกล้องอยู่ในหัวหรือเหมือนกับเรื่องราวที่ฉาย ฉายซ้ำ เ, เราก็รู้ไปการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราถ้าเราทำโดยไม่มีความอยากแต่ว่ามีความพอใจที่ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขนะเกิดความสุขในการปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติเลยนะไม่ใช่ว่าต้องรอให้เกิดผลขึ้นมานะอันนี้ก็ถ้าว่าเราทำอย่างนี้ได้ นะก็ก็น่าพอใจแล้วละ่ลวละเพราะว่าถึงเวลาเรากลับไปบ้านให้ฉันทะแล้วก็นิสัยที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราปฏิบัติต่อไปนะแต่ถ้าเราทําด้วยความคิดจะเอาเนี่ยพอปฏิบัติที่วัดไม่ได้แล้วเนี่ย<ป>กลับไปที่บ้านก็ไม่อยากทําแล้วละ่ลวละเกิดความสึกท้อขึ้นมาหรือรู้สึกว่าทําไปก็เท่านั้นแหละ วิดวิจิฉาได้ซ้ำนะว่าทำไปทำไมนะแต่ถ้าเรามีมีฉันทะมีนิสัยที่ก่อตัวขึ้นมาถึงกลับไปที่บ้านเราก็ยังอยากจะสร้างจังหวะอยากจะเดินจงกรมอยู่เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะมันก็มีแรงขับเคลื่อนให้เราทำต่อไปได้ด้วยความรู้สึกสบายๆนะไม่ใช่ว่าต้องต้องไปบังคับ นะการปฏิบัติก็ลองดูนะอย่าให้เราหน้าดําคำําเคร่งผู้ที่ทำหน้าดําำําเคร่งนี้เขาแซงว่าเพ่งและส่วนใหญ่ก็มักจะมีความความอยากนะเป็นเป็นแรงผักมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ต้องไปไปไปขับสายไล่ส่งแล้วมันก็สักแต่ว่ารู้การปฏิบัตินี้ที่จริงก็คือการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจโดยไม่ไม่ผลักสายต่อต้าน ก็ไม่ใช่เรื่อก ง, ง่ายที่จะทําได้เพราะว่าเรามักจะมีนิสัยต่อต้านผักใสสิ่งที่ไม่ชอบนะไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายหรือใจรวมถึงเวทนาเนะียโดยพอ พ, อ, พอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ชอบบางอย่างแต่ก่อนเวลาฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งได้เรือเ่อยเปื่อยแต่พอปฏิบัติเราก็สกว่ความฟุ้งซ่านไม่ดีเราก็จะไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็พยายามกดขม่มมันเอาไว้ ความหงุดหงิด ก, ก็เช่นเดียวกันความกลัวก็เช่นเดียวกันก็ไม่ชอบเพราะรู้สึว่มันไม่ดีแต่พอมันเกิดขึ้นก็จะพยายามผลักสมันให้เรายอมรับมันยอมรับมันหรือว่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะผลักสมันไปก็ต้องอ้าแขนรับมันเลยแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันม า, มาเป็นนายเราส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ยอมรับมันแต่ปล่อยให้มันเข้ามาเป็นนายเราเช่นเวลาฟุ้งซ่านแล้วก็ เราก็ปล่อยความคิดฟุ้งซ่านนี้ลากเราไปอินไปกับความคิดความโกรธความงุนีงก็เช่นเดียวกันพอเกิดขึ้นมันก็ลากเราไปนะให้เราเป็นผู้ดูเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นสัมมา ส, สตนะิความระลึกได้สัมมาสติจะเห็นได้ว่ามันปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายและใจการตามการตามเห็นหรือ ก, การพิจารณา ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการและใจไม่ใช่ไปพิจารณาเรื่องนอกตัวเลยนะถ้าพิจารณาเรื่องนอกตัวไม่ใช่สัมมาสติรวมทั้งการและลึกได้เรื่องนอกตัวก็ไม่ใช่สัมมาสติเป็นแค่สติเฉยๆนะเช่นระลึกได้ว่ า, เ, าเราวางกุญแจไว้ที่ไหนระลึกได้ว่าตอนนี้ได้เวลาที่ต้องอไปทำงานระลึกได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาทำบัสดมน หรือว่าเราลึกได้ว่าวางกุนวางรองเท้าไว้ที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวซึ่งก็สําคัญแต่ว่าพอจะมาระลึกเรื่องกายเรื่องใจนี่กับช้าหลายคนนี่ระลึกเรื่องนอกตัวได้เร็วนะนึกเบิร์ดนึกถึงเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้ไวมากรู้ว่าวันเกิดเพื่อนวันที่เท่าไหร่รู้ไวแต่เรื่องกายเรื่องใจนี่รู้ช้าใจลอยไป พุ่งไปหลายเรื่องหลายราถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ว่ากํากลังนั่งฟังคํญญาบรรยายอยู่หรือเพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่ากําลังสวดมนต์อยู่อันนี้เราว่าลืมลืมกายอันนี้เราว่าลืมลืมกายลืมใจการจลสตินี่มั น, นให้เราทําไปเรื่อยๆใส่ใจกับแต่ละขณะแต่ละขณะ หลมันก็มีแค่นี้แหละนะอย่าไปอย่าไปมองข้ามช็อตนะทำวันนี้ก็ทำวันนี้ให้ดีอย่าไปสนใจเป็นพรุ่งนี้หรือว่าทำเช้าก็อย่าไปสนใจบ่ายนะให้เราซอยจนกระทั่งใส่ใจกับแต่ละขณะแต่ละขณะเส้นทางที่ยาวไกลมันก็เริ่มต้นกับเริ่มต้นกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่าง เพื่อนที่เขาเดินจากสารยาไปปตัตตานีสองล้านกว่าเก้าเขาก็เริ่มต้นกับแต่ละเก้าแต่ละเกนะ้าทำวันนี้ให้ดีทำเช้านี้ให้ดีทำชั่วโมงนี้ให้ดีทำขณะนี้ให้ดีเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเมื่อสักสี่สิบปีก่อนมันมีนักไต่ลวดคนหนึ่งนะ เป็นคนแปลกคือแกชอบไปไต่ลวดในที่ที่มันเป็นที่สำคัญสำคัญและไต่ ย, ยากแลวต้องเป็นที่สูงด้วยนะสะพานไหนที่สูงในแกก็จะไปไต่โดยโดยโดยเดินมนเส้นลวดแล้วแกก็มีความฝันอย่างนึ้งก็คือว่าแกจะไปไต่เส้นลวดที่ขึงระหว่างตึก World Trade ตึก World Trade Center ที่เป็นตึกแฝด มาเป็นตึกที่เรียกว่าเป็นตึกในฝันเลยเพราะว่าตึกสองข้างตึกแฝดนี้มันเท่ากันพอดีสูงเท่ากันแล้วก็มันห่างห่างประมาณ 2-300 เมตรตอนนั้นตึก World Trade Center ก็เพิ่งเริ่มสร้างเขาก็ฝันว่าเนี่ยถ้ามันสร้างเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะแอ บ, บไปไปเดินระหว่างตึก2ตึกเนี่ยแล้วเขาก็ทําได้นะเขาก็แอ บ, บเข้าไปต อ, น น, อนนี้ประมาณสักสีปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้ว ตอนที่ตึกเริ่ ม, เ, มเสร็จเขาก็แอบเข้าไปตอนคืนมาถึงตอนเช้าเขาก็าขึงขึงลวดด้วยการยิงธนูนะจากตึกหนึ่งเปกตึกหนึ่งเสร็จแล้วพอขึงลวดขึงขึงลวดให้ตึงเขาก็เดินตึกมันสูงประมาณเกือบ400เมตรนะเกือบครึ่งกิโลตกมาก็ตายแต่เขาสามารถที่จะเดินบนลวดระหว่าง สองตึกนี้ได้ตำรวจเห็นนะมีคนข้างล่างเนี่ยเห็นก็ไปเรียกตำรวจตำรวจก็มาขึ้นมาจะจับเขาพอเขาเดินขึ้นมาจนถึงปลายลวดตำรวจก็รอเขาอยู่เตรียมคว้าเขาก็หันหลังกลับแล้วก็เดินต่อไปอีกเขาเดินอย่างเงี้ยไปกลับไปกลับประมาณเจดดครั้งก็ประมาณ4 5สิบห้านาทีโดยไม่ตกเลยนะ เขามีเพียงแค่ไม้ยาวๆนะเอาไว้ถือเพื่อเพื่อทำให้เกิดสมดุลแล้วก็เดินกลับไปกลับมาบนรวดนะซึ่งอันตรายมากตกมาก็เหลวเราลองนึกภาพยถ้าเราเดินอยู่บนรวดจะว่าแต่เดินอยู่บนรวดเลยเดินบนไม้แผ่นใหญ่ๆที่สูงสักห้าสิบเมตรเนี่ยหรืออยู่บนยอดต้นไม้เราก็เราก็เสียวแล้วล่ะ แต่นี่เขาเดินได้สบายมากในสุดเขาก็พอพอเขาเดินจนเบื่อแล้วเขาก็ยอมให้ตำรวจจับนะหลังจากเดินไปได้สี่สิบห้านาทีตอนหลังก็มีคนถามว่าคุณเดินได้ยังไงอันตรายจะตายนะตอนนั้นคุณทําใจอย่างไรเขาก็บอกก็ไม่ได้ทําใจอะไรตอนเดินก็สนใจกับสนใจว่าให้แต่ละก้าวแต่ละให้ให้อ่าให้ แต่ละก้าวเนี่ยมันมันไปอยู่หน้าอีกก้าวหนึ่งแค่นั้นแหละก็คือสนใจกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวเขาไม่ได้มองไปข้างหน้าไม่ไดม้มองไปที่จุดหมายไม่ได้สนใจว่าเมื่อไหร่จะถึงก็อยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้เรื่องยากกลายเป็นปเรื่องง่ายเพราะว่าสนใจกับแต่ละก้าวนะอันนี้ก็เป็นหลักของการเจริญสติเหมือนกันนะ แล้วก็สนใจกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็ให้ตระหนักว่าแต่ละก้าวนี่มันไม่ใช่ก้าวเก่านะมันเป็นก้าวใหม่อยู่เสมอยกมือสร้างจังหวะแต่ละครั้งเป็นเป็นของใหม่อยู่เสมอถ้าเราสวมเป็นของเก่าซ้ำไปซ้ํามานเนี่ยมันจะเบื่อแต่ให้เราตระหนักว่าเนี่ยที่ยกมือแต่ละแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะนี่ใหม่เสมอนะไม่มีอะไรที่ซ้ําเดิมเลย แต่ละก้าวก็เหมือนกันก็เป็นก้าวใหม่ก้าวใหม่แม้แต่ความนึกคิดที่ผุดขึ้นมาในใจนะมันก็ไม่ใช่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเดิมเรื่องเป็นของเก่ามันใหม่อยู่เสมอมันไม่มีอะไรที่เก่านะไม่มีอะไรที่ซ้ำเดิมเหมือนกับน้าที่น้ำในแม่น้าที่ไหลผ่านผ่านหน้าเราหรือว่าเทียนที่จุดนะอยู่ข้างหน้าเรา แต่ละขนาแต่ละขณะเป็นน้ำสายใหม่เป็นเทียนเล่มใหม่อยู่เสมอแม้แต่ตัวเราเองในะแต่ละขนาแต่ละขณะก็เป็นเป็นสิ่งใหม่นะเป็นร่างใหม่ไม่ใช่ร่างเดิมเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราไม่ทางสังเกตแต่ีางคนเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนร่างใหม่เนี่ยทุกเจ็ดปีนะ พอถึงพอเจ็ดปีเนี่ยไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยแทบทุกอย่างเลยเป็นของใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่เป็นตับไตอาจจะเว้นแต่สมองที่เหลือนี่ของใหม่หมดเพราะว่ามีการสร้างใหม่แทนของเก่าตลอดเวลามันไ ม, มีอะไรที่เก่าเลยนะสร้างใหมให่ให้เราอย่าไปอย่าไปรู้สึกมันเป็นเรื่องซ้งำซากจําเจให้รู้สึกาทาแจงเราให้ใหม่อยู่เสมอนะ าการปฏิบัตินี่มันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันพอใจกับกับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอคอยด้ือนะต้องรู้จักรอคอยไม่ต้องเร่งรีบมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่ออาจารย์อิชิอิ เคยเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาเป็นคนที่รู้ภาษาหลายภาษามากทั้งนั้นที่ไม่ได้เรียนปริญญาเท่าไหร่ไม่ได้จบปริญญาแต่ว่าเป็นผู้รู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็รู้หลายภาษามากอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันภาษาบาลีาสันสกฤตภาษา เก่าๆนี่ก็รู้นะก็มีคนก็ยกย่องวาอาจาริชิเนี่ยอัจฉริยะอาจารย์อชิบอกว่าไอ้ที่รู้ภาษาต่างประเทศได้ดีแล้วก็หลายภาษาเนี่ยมันไม่ใช่อัจฉริยะเลยต้องอาศัยความเพียรแกบอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับการตักน้ําด้วยกระชอน นึกภาพนะกระชอนกระชอนผ้านะตักน้ําใส่แก้วด้วยกระชอนเนี่ยเราคิดดูซิว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มแก้วเพราะว่าพอตักน้ํามาเนี่ยน้ําก็รั่วหมดมันก็จะมีแค่หยดสองหยดที่ติกระชอนอาจารย์ชีบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาท่องศัพท์แต่ละคําเนี่ยโอ้โมันต้องเปิดเด็กเนี่ยเปิดพระเจ้นาลนูกกมครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ําแล้ ว, ลวซ้ําเล่าเป็นร้อยครั้งกว่าจะจํา ไว้ในหัวได้แต่ก็ทำนะต้องใช้ความเพียรมากนะกว่าน้าจะเต็มแกวนี่ไม่รู้ตักน้าด้วยกระชอนเนี่ยเป็นชั่วโมงหรือเปล่าให้การปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างจากการตักน้าด้วยกระชอนจนเต็มแก้วจิตของเราก็เปลี่ยนเหมือนแก้วนะน้นี้ก็เปลียนเหมือนกับสติ นะการเจริญสติของเร า, เราก็เหมือนการตักน้ำนะด้วยกระชอนใส่แก้ ว, กวมันต้องใช้เวลาวนะกว่าจะกว่าจะเต็มแก้วแลนะการเจริญสติก็เหมือมนมันเหมือนการเรียนหนังสือหรือการจดจาคําศัพท์เหมือนกันเพราะว่าสติเพราะว่าการจดจำำําคําศัพท์นี่ก็ใช้สติเหมือนกันนะ แต่เป็นสติที่ไม่ใช่สัมมาสติแต่ต้องเกิดจากการทำำําซ้ําๆต้องนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆจนกว่าจะจําสับได้ในทํามอุปการเวลาเราจะให้มีสติไว้เนี่ยก็ต่อเมื่อได้เห็นความฟุ้งบ่อยๆเห็นความฟุ้งบ่อยๆจากเดิมที่มันฟุ้ง4ีหเรื่องก็เหลือแค่สเรื่องเหลือสมเรื่อง2เรื่องมันต้องเห็นความฟุ้งบ่อยๆเห็นเห็น เห็นความคิดปรุงแต่งบ่อยๆให้บ่อยๆให้บ่อยๆจนกระทั่งพอเห็นปุ๊บนะมันรู้ปั๊บเลยเป็นสติตัวเดียวกันแต่ว่าทํางานคนละอย่างนะสติที่ใช้ในการเรียนหนังสือต่างประเทศกับสติที่ใช้ในการปฏิบัติอันนั้นเป็นสติคนละประเภทแต่ว่ามันก็เป็นสติมันสติเดียวกันแต่ว่าทํางานคนละด้านเราก็ฝึกสติในเรื่องความรู้มามากแล้ว มาใช้ในเรื่องวิชาการมามากแล้วเราก็เอาสติสร้างสติที่จะทำให้เรารู้รู้กาย ร, รู้ใจให้ไหวขึ้นนะก็ต้องรู้จักอดทนนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าไม่สูญเปล่าอย่างน้อยมันก็ได้มาตักน้ำแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ได้มาต้องมีน้ำติดมาแน่นอนอย่างมากก็หนึ่งหรือสองหยดไม่ได้สูญเปล่าเลยนะ การที่จะลดอย่างที่พระเจ้าตรัสการลดละ ก, กิเลสเนี่ยก็เหมือนกับการที่ช่างนี่จับจับเครื่องมือนะจับเครื่องมือแต่ละวันแต่ละวันในเครื่องมือย่อมสึกนะแต่ว่าสึกช้านะจับวันหนึ่งก็สึกก็สึกนิดหน่อยแต่มันสึกแน่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะสึกจนกระทั่งแหว่งไปแต่ว่ามั่นใจว่าเนี่ยมันมันสึกแน่ กิเลสก็เหมือนกันนะปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อมสึกกร่อนเป็นธรรมดาแล้วถ้าเราปฏิบัติจเจริญสติอยู่เรื่อยๆนะแม้มันจะได้สติมาทีละหยด2หยดแต่ว่าก็ไม่ศูญเปล่าทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนให้เรามั่นใจเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้คำนี้